เตียงเครื่องช่วยชีวิตเด็กเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกเครื่องดูดของเหลวเครื่องช่วยคลอดกล้องจุลทรรศเตียงทําฝันพร้อมอุปกรณ์นอกจากนี้แล้วท่านยังบริจาคในด้านอื่นๆ อ, อ, อีกมากมายเช่นรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์สร้างตึกผู้ป่วย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 ถ้าตรงไหนมีความจําเป็นมากทุ่มให้เลยเที่ยวเอาขาดอะไรอะไรบอกมาบอกมาบอกเท่าไหรให้เท่านั้นให้เท่านั้นให้เลยเป็นล้ลานๆนั่งครู่เดียวเอาไปสองล้านสามล้านก็มีนั่นอย่างนั้นละ่ะถ้าถึงใจเอาจิงเราถ้าไม่ถึงใจสตางหนึ่งก็ไม่ให้